ในโรกานิทีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2537ธรร ม, มาภาพขออาราธนาคุณประศรีรัตนไตรัยผูพุทธเจ้าประจมประสงค์และปรดดลบันานวิบานรษาให้ท่า น, า น, นพุทธศาสานิกชนทั้งหลายประสบกับความสุขายสบายใจพระเสชาทุกโชกลครบยัย ในความก้าวหน้าความสมเร็จในชีวิตในการงานในการศึกษาในการรฏิบัติธรรมให้สมบูรณ์ด้วยเจตุ ร, ตรพริทพนทั้งสี่ประการเก ย, ยุบนาสุขภะละอีกต้งปฏิภานานาสารสมบัติโดยตัวการทุกท่านตื่นกลับ <c oughs> พร้อมกันอีกสามทีก่อนโมทนาสาธุการแต่ท่าน ประชชนทั้งหลายวันเสาร์นี้เป็นวันแรกในพุทธศักราช2537จึงรู้สึกว่าปี2536ก็มีลักษณะที่แปลกวันเสาร์ไปตกตรงกับปันสาคัญหลายวัน ว, วันสารก็มาตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมอีกแต่ตามปกติประเพณีนิยมจะยึดถือพระพุทธปฏิบัติกันก็มีการให้สีให้พรส่งส่อก็สกันในเทศกาลขึ้นปีใหม่ว่ากันตามความเป็นจริงเรื่องของวันเดือนปีเป็นเรื่องของจักรราศี จริงมันก็หมุนเข้ามาอย่างนี้เองการกําหนดเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นข้างขึ้นั้างแรมเป็นการกําหนดขึ้นทีหลัง mm. เพื่อเป็นสัญญาณเพื่อเป็นการกําหนดหมายให้รู้ว่าวันนั้นเป็นวันนั้นวันนี้ซึ่งว่าที่จริงก็เป็นสมมุติทับลงไปในสมมุติวันขึ้นปีใหม่ เราก็เปลี่ยนกันมาโดยลําดับแต่ถ้าดูให้ดีก็ค่อนข้างแปลกนะฮะคือตอนต้นๆเนี่ยเราจะเปลี่ยนในแนวพระพุทธศาสนานับปีจากวันบริพานของพระพุทธเจ้าเรานับพศจากวันบริพานของพระพุทธเจ้าวันวันขึ้นปีใหม่ก็เป็นแรมขํามหนึ่งเดือนห แล้วต่อมาเราก็มาเปลี่ยนแบบเรื่องสงกรารซึ่งก่อนข้างเป็นพรามนะครับในสงกรารก็ค่อนข้างเป็นพรามเรากาหนดวันที่สิบสามเป็นวันสงกานวันที่สิบสี่เมษาเป็นวันเนาวันพักวันที่สิบห้าเป็นวันถลึงศกขึ้นจุนลศักราชใหม่แล้วต่อมาเมืาา่อพศสองพันีร้อยแปดสิบสี่เราก็ เอาแบบศาสนาคริสต์แสดงวเทศการขึ้นปีใหม่ในเมืองไทยเราอย่างน้อยก็สามศาสนาแหละมาเริ่มจากพุทธแล้วก็มาเป็นพราหมณ์แล้วก็มาเป็นคริสต์คริสต์นั้นเขาค่อนข้างฉลาดคือพยายามให้อะไรก็ตามจะเป็นของเขาเป็นสากลนิยม แต่ถ้าไม่เป็นอย่างเขาเป็นก็ถือว่าไม่เป็นสากลนิยมคือไม่ทันสมัยแต่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรอะไรก็ตามต่อถึงพวกวันหยุดเนี่ยก็จะมองในแนวสากลนิยม ถ, ถือว่าเก่งไงนะฮะฉลาดที่สามารถชี้นําความคิดของโลกได้พี่ใหม่มีการเฉลิมฉลองกันทั่วโลก ในที่บางแห่งก็มีการล้มตายกันด้วยนะางในอะไรฮ่องกงปีที่แล้วก็ตายเยอะคนเข้าไปอัดกันอยู่ในที่เดียวกันจำนวนมากในปีใหม่ที่เราต้องการผ่อนส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นเรื่องของจัตุรพิธผ่อนที่แปลว่า่อนสี่ประการ มันคงจะสืบเนื่องมาจากความคุ้นเคยของการอนโมทนายะถาสภีของพระนะฮะพระพรสีประการนั้นอยู่ในบทอนุโมทนาชาวบ้านให้พรพระก็อยุวโนสุขังพลั่งมาเกณฑ์พระให้พรชาวบ้านก็อยุวโนสุขงังฝรังชาวบ้านให้พรด้วยกันก็อยุวโนสุขงังฝรัง เรามาเรียก ร, มรมวมๆมา จ, จตุรพิธพน์แต่เมื่อไปมองเทียบเคียงดูกับพระเรสวรรค์คืออารมณ์เลิศนะฮะอารมณ์เลิศของพวกเทวดาทั้งหลายเนี่ยท่านนับเป็นสิบไม่ได้นับสีรรสส่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นที่เป็นห้านะฮะ อายุวั น, นะยศสุขอธิบดีมันไม่ใช่วั น, นะสุขภาพละแต่อายุวั น, นะยศสุขและอธิบดีรวมแล้วเป็นสิบแต่ถ้าเราถามว่าไอ้สิบอย่างนี้มนุษย์ต้องการไหมก็ต้องการนะนะเขาบอกอายุวั น, นะสุขยศอธิบดีที่เป็นทิปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นทิป นั่นเป็นสิ่งที่เทวดาก็ต้องการแล้วก็เป็นตัวกำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานกำหนดสถานาภาพของเทวดามีศัก์ใหญ่หรือมีศัก์น้อยก็อยู่ที่ตรงนี้ก็ดูกันที่ตรงนี้สิบอย่างแต่ของเราเองเราก็ปรารถนานอายุวณนะยศสุขอธิปดีก็ดีรูปเสียงรีรถสัมผัส ที่ประณีตดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พัถนาแต่ไม่ว่าจะมองจากเรื่องที่ท่านพูดถึงเทวดาหรือพูดถึงมนุษย์ก็ตามมันเป็นผลมันไม่ใช่เหตุแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้สิ่งที่เป็นผลเนี่ยที่จริงมันก็เป็นเหตุอีกขี่ยวหนึ่งห้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าลักษณะของเหตุผลเนี่ย เรากำหนดไม่ได้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลแต่ถ้าเราจับคู่เนี่ยเราจะพูดได้มันตานอนที่เราพูดเรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนนี่ย น, นะครับคือถ้าเราพูดอย่างนี้แล้วมันเถียงกันได้แต่ถ้าจับคู่แล้วเนี่ยมันจะลงตัวถ้าพูดถึงแม่ไก่กับไข่ของมัน ถามอะไรเกิดก่อนระบบแม่ไก่เกิดก่อนเฉพาะกับไ่ใบนั้นนะฮะแต่ต้าเราพูดกับฟองไข่ที่ตู้กไก่มันออกมาถามอะไรเกิดก่อนราบบไข่เกิดก่อนคือจับเป็นคู่ๆอย่างเงี้ยก็ได้แต่พูดว่าอะไรเกิดก่อนอะไรแล้วก็พูดกันโดยโดยไม่ได้จับคู่เนี่ยจะพูดยากเมื่องความเป็นเหตุเป็นผลก็เหมือนกัน ดูง่ายที่สุดก็ดูดูการสืบสายตะกุลเเช่นระหว่างเรากับพ่อเนี่ยใครเป็นเหตนะุสามคนพ่อลูกนะปู่พ่อแล้วก็ลูกนะเรียงกันสามคนว่าใครเป็นเหตุของใครเนะหรือจะว่าปู่ก็เป็นเหตุของพ่อแต่พ่อเองก็เป็นเหตุของลูกแต่ขนาดเดียว ก, กันปู่ก็เป็นผลของพ่อแต่ปู่เองก็ไม่ได้เป็นเหตุอย่างเดียวนะฮะแกก็เป็นผลของปู่ทั่วที่ทีหนึ่ง แล้วก็สรุปว่าทุกคนเนี่ยจะทุกสิ่งเนี่ยจะเป็นผลก่อนแล้วจะเป็นเหตุเป็นผลมาก่อนแล้วจึงจะเป็นเหตุของคนอื่นอีกเท่ยหนึ่งที่ก็พูดว่าสิ่งต่างหลายเกิดมาจากเหตุเมื่อคืนท่านท่านตั้งหลายคงได้ยินท่าน <c oughs> จุฬาธิบรีที่ให้พรนะครับท่าก็พูดตรงกับหลักเนี่ย เพาสิ่งต่างๆนั้นเกิดมาจากเหตุแต่ในที่สุดทานยกเว้นพระผู้เป็นเจ้านะฮะยกเว้นพระผู้เป็นเจ้าว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นชีวิตที่รันดอนก็เป็นเรื่องของความเชื่อถือแต่พระศาสนาไม่ถืออะไรที่รันดอนถือว่าสิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแต่ทีนี้พอเราได้ราบได้ยศนะมันกเนเ็เป็นเหตุเป็นเหตุอีกเช่อวหนึ่ง เป็นเหตุของเราของยศต่อไปอีกก็สรุปว่าอายุวรรณะสูงยศอธิบดีเนี่ยมันเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราได้มันมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้เราเพิ่มตรงนี้ได้อีกเพิ่มอายุได้อีกเพิ่มวัฒนะได้อีกเพิ่มยศได้อีกเพิ่มสุงได้อีกเพิ่มอธิบดีความเป็นใหญ่ได้อีกก็ถ้าย่อยกันไปเป็นขึ้นพรจะเรียกว่าอายุวรรณะสุขภัละเนี่ย มันเกิดขึ้นมาจากเรื่องเรื่องหนึ่งในชาดกคือมีเด็กคนหนึ่งพอเกิดมาเนี่ยพ่อก็เอาไปก็แบบแบบเจ้าชายจิตตถาะ น, นะครัเนียมโบราณเนี่ยมายความพอมีลูกก็แค้รับฝันลูกไปรับศีลนภพรจากคนท่าคนแก่แต่ปรากฏว่าคนระดับนักปราดผู้ใหญ่เนี่ย ตามปกติก็จะให้พอในให้สองคําให้มีความสุขให้มีอายุยืนทีคาริโยโกโฮโตสุ ก, กิโตโฮโตเป็นคำที่กขาพูดมาอย่างเงี้ยให้มีความสุขให้มีอายุยืนก็ถือว่าหมดแล้วนะฮ ะ, ะถือมีความสุขเนี่ย อ, อายุยืนเนี่ยถือว่าจบละแต่ปรากฏว่าเด็กคนนี้คําว่าทีคาริโยโกโหตตเนี่ยเขาไม่ให้เขาไม่พูดเขาบอกว่าสุ ก, กิโตโฮโต สุกิโตโหตุโอโรโคโหตุนะฮะสุโิโต โ, โหตุอโรโคโหตุคือไม่มีโรคเขาให้ด้วยไม่มีโรคแต่ว่าทีคารโยโกโหตุเขาไม่ว่าทุกคนไม่มีใครว่าพ่อแม่ก็เกิดสงสยัยเอลูกคนอื่นทำไมเ็าให้ทีคารโยโกโหตุด้วยลูกเราทำไมไม่ให้ก็สอบถามท่านบอกว่าเด็กคนนี้อายุไม่ยืน จะตายภายในเจ็ดวันพัวแม่ก็ตกใจนะฮะลูกกำลังน่ารักน่เกิดมาตายในเจ็ดวันก็แจก็อสอบถามว่าใครจะช่วยได้ไมเขาบอกพระพุทธเจ้าเนะี่ยช่วยได้ให้พาไปหาพระพุทธเจ้าไปถึงก็ไปกราบพระพุทธเจ้าให้เด็กกราบก็จับมือให้กราบนะะแบบแบบอสิทธาบทมาเยี่ยมเจ้าชาย ธ, ธาิตาถาพระเจ้าสุตตุตนะก็จับมือให้ไหวนะ จะไม่ใจไหว้ได้แล้วพระเจ้ารับสั่งเหมือนกันสุกิโตโฮโตะแต่ไม่ได้พูดว่าฏีคายุโกโหโตะคือไม่ได้พูดว่าจงมีอายุยืนแต่พูดว่าจงเป็นสุขเขาก็สงสัยก็กราบถูนพระเจ้าก็รับสั่งเหมือนกับที่เขาพูดพ่อแม่ก็ขอพระเจ้าช่วย าถามมันช่วยได้ไหมพระเจ้าบอกก็ได้ก็ทำพิธีมันค่อนข้างเป็นเป็นเป็นที่เราสืบมาจนถึงปัจจุบันคือให้เด็กก็นั่งอยู่ตรงกลางนอนอยู่ตรงกลางพระนั่งรอบนั่งล้อมรอบแล้วพระก็สวดสาธยายตลอดระเวเจ็ดเจ็ดวันเปลี่ยนมาเป็นชุดๆุดดดดุมาดูอยู่นะคว่ขออาข้าว เขาว่าเด็กคนนี้มันมีคู่เวรนะที่จองล่างจองผานกันมาคล้ายๆสำนวนเราพูดที่เรียกเจ้ากรรมนายเวรนั่นนะมันไม่ใช่ตายปกติแต่เป็นตายโดยการถูกฆ่าถูกถูกยักนะฮะถูกยักจับฆ่าแต่พระไปสวดขวางไว้มันก็มาไม่ได้มันข้ามาไม่ได้ก็พอเลยเจ็ดวันก็จบเ็า ก, ก็พาเด็กไปว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งเต็มยศเลย ที่าโยโกโห้หตุสุกิตโหตหตุและอรโรโก้หตุก็สามหตุเลยทีนี้ที่คาโยโกโห้หตุก็ให้เมียอายุยืนสุกิตโตหตุก็มีความสุขอรโรโก้หตุก็ไม่มีโรคกพ็พรสามข้อนะก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้ต่อมาก็เมียอายุยืนมาจนหลังพุทธกาลนะนะอายุยืนถึงร้อยี่สิบปี เราเรียกว่าอายุวัฒนะกุมารแล้กวกุมารจะมีอายุยืนมากแล้วก็เป็นอุบาสกที่มีชื่อเสียงมีความสำคัญพิสูจตั้งหลายก็อัศจรรย์นะนะฮะอัศจรรย์ว่าทำยังไงจึงใจะไปสามารถป้องกันคนไม่ให้ตายได้แต่พระเจ้าไม่ได้แสดงเหตุที่พระองค์ ไม่ได้แสดงเหตุที่ที่ประสงค์ไปสวดน่นะก็รับสั่งเป็นภาษิตที่พระนามยะถาปัจจุบันเนี่ยนะตอนสุดท้ายที่จะลงนะฮะคือคาถาที่พระอนามานโมธนาปัจจุบันเวลายะถาวารีวหานยฮะก็เป็นการต่อข้อความอยู่สองตอนตอนหนึ่งเป็นเรื่อง คาถาของพระประเจกับพุทธเจ้าที่ขึ้นคําว่าอิจิตังปาจิตังตุมังกิปเมวัสมิจตุสะเพปุเรนสังกปาจันโผปนรโสยถ า, ามณีโชติระโสยถานนี้เป็นคาถาพระประเจกับพุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้าท่านไม่สอนคนท่านไม่ใช่เป็นพระนักเทศเทศไม่เป็นแต่ว่าใครทําบุญอะไรกับท่านใครไหว้ท่า น, ท, านท่านก็่างเงี้ยว่าสี สีถาก็เรีสี่คถาสองมันทัดทีนี้ในบทสภีนี่ก็ว่าไปนะแล้วก็มาต่อที่คาถาตรงนี้ในอายุวัฒนะกุ ม, มารพระเจ้าทรงแสดงอภิวาตนาสีลิสะนิจังุทาปจายโนจัตตาโรธมาวันติอายุวันโนสุขังพลังในบทเดียบทที่พระจะทา สปีดิโยนะฮะทว่ามาแล้วก่อนจะจบเนี่ยเพราะฉะันเป็นความความเป็นมาของคาถาที่เอามนาุษยนาค่อนข้างขลัง <c oughs> ค่อนข้างหนักไปในทางขลังก็เรียกว่าเป็นแบบสิริมงคลเพื่อขจัดทุกภัยโรคแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ส่งแสดงตัวเหตุ ว่าเหตุตรงนี้มันเกิดจากพรทั้งสีประการนั้นจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนทั้งหลายอยู่เป็นนิดนะฮะอภิวาตนาสีทิตฐะหมายความว่าลักษณะนิสัยเนี่ยเป็นคนอ่อนน้อมอ่อนโยนมีสมาคารวะต่อบุคคลทั้งหลายไม่เป็นคนกระด้างนะไม่เป็นคนกระด้างโดยอานาจของมานะ ว่ากระด้างโดยรูปโดยยศโดยความรู้โดยวัยโดยสถานะทางสังคมโดยทรัพย์อะไรต่างๆไม่ไม่เป็นคนกระด้างบื้อตนอ่อนน้อมต่อคนทั้งหลายมีสมาค ร, ระวะต่อคนทั้งหลายหมายความไงหมายความว่าตรงนี้มันจะเป็นปัจจัยที่จะดึงความดียังอื่นให้เกิดขึ้นแนวการพูดสร้างลักษณะนิสัยที่จะเพิ่มพูนความดีนั้นไม่จาเป็นจะต้องพูดตรงไหนตรงหนึ่งไงนะ ตรงนี้พูดกับผู้น้อยเรเห็นว่าพูดกับผู้น้อยผู้น้อยที่จะมีความเจริญได้เนี่ยจะต้องมีสมาคาระวะต่อผู้ใหญ่เหนือตนให้ความเคารพยอมรับนับถือศรัทธาเชื่อฟังท่านเหล่านั้นก็จะรับความเมตตารับความสงสารห่วงใยสงเคราะห์น อ, องเคราะหจากท่านแล้วก็เป็นเหตุแห่งความเจริญที่ชัดเจนน่ยนะ ส่งเสริมสนับสนุนต่างๆตแต่ว่าความเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากการมีสัมมาคารวะคนที่มีสัมมาคารวะคารวะเจนิวาโตจะเป็นอุดมมงคลนะฮะที่ที่เราสวดในมงคลในสวดเนี่ยคารวะเจนิวาโตจะเอตมังกลมุตตมังคารวะคือการเคารพนิวาตะคือการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นอุดมมงคลในมงคลสามสิบแปดเน้นไว้ทั้งสองข้อ คือต้องมีความเคารพแล้วต้องอด น, น้อมยอมรับนับถือเชื่ อ, อฟังแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสอนของท่านมันก็นำไปสู่การปฏิบัติแต่เจาน์ว่านไปสู่การปฏิบัติก็ทำให้คนเหล่านั้นเองสร้างเหตุสร้างเหตุต่อกันไปเพื่อความเจริญของอายุวนะุขภะ อายุยืนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนะว่าเราก็รู้นะชาติปีดุขาเจราปีดุขามานามปีทุขังชาติความเกิดเป็นทุกข์จราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์แ้วเราก็ทุกข์เยอะนะแต่จริงๆเราก็อยากอ ย, กอยู่ไม่อยากตายเฉะั้นความคิดของโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจึงมีความคิดในแนวที่ให้มีอายุยืน ท่านหลายลองสังเกตดูวประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจะมีการศึกษาค้นคว้าเรื่องยาายุวัฒนานี้มากที่สุดเลยจีนเนมีตำนานเกี่ยวกับยาายุวัฒนาเยอะเมืองไทยเราก็เยอะนะยายุวนะัฒนาอยาให้มีอายุยืนเแสดงว่าชอบทุกข์นะฮะยังชอบทุกข์อยู่พระอานนท์เองก็ยังอยากให้พระเจ้ามีอายุยืนพระอานนท์เป็นพระโสดาบันนะ ัันน้ตอนพระเจ้าปรองพสนายชุสังขารเนี่ยท่านก็ขอร้องก็อร้องมาพระเจ้านี่ผ่านขออยู่ต่อแต่ว่าพระเจ้าอยู่ก็มีประโยชน์นะฮะเพียงแต่ว่าคําสอนก็คงเท่าเดิมสมมุติเราพระเจ้าจะอยู่มาสักตั้งไหนสักสี่สิบปีนะฮะคือคือจะอยู่ได้อย่างมากร้อยี่สิบปีนะฮะร้อยี่สิบปี ก็คำสอนก็คงอยู่ในเรื่องอ ญ, ญายตศสี 4. แลว้วพระเจ้าเองก็คงแค่สอนนะนะคงจะไม่ใช่เป่ากระหม่อมเอาจนคนมารูุมกผลไปไม่ใช่อย่างนั้นคงจะทำได้แค่สอนแค่บอกทางให้เท่านั้นเองแต่ว่าการจะประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลตามที่ทรงแสดงเอาไว้มันก็อยู่ที่บุคคล น, นั้นจะต้องทำเพราะเราจะเห็นว่าการอ่อนน้อมถ่อมตอนนั้นเป็นเหตุ ที่จะให้เกิดผลเป็นอายุวรฒนสุขภาพภักะแต่อย่าลืมว่านาไปสู่ภาคปฏิบัติด้วยไม่ใช่ว่าอ่อนน้อมต่อมตนเพียงอย่างเดียวนะมีสมากกระวะเพียงอย่างเดียวแต่ธรรมะที่จริงแล้วเนี่พอเราเริ่มขึ้นสักข้อหนึ่งเนี่ยมันข้ออื่นมันจะเกิดขึ้นมาตามมาเองโดยอัตโนมัติเรียกชื่ อ, อยังไง ก, ก็ไม่ต้องบอกชื่อก็ได้ ชื่อมันสมมติเรียกเอานะฮะชื่อที่สมมติเรียกเกาก็แล้วแต่ภาษาภาษาบาลีก็เรียกอย่างสันสกิตเรียกอย่างไทยก็เรียกอย่างแต่ว่าอาการเนี่ยมันก็เป็นคำวมาอย่า ง, งนเดียกด้วยธรรมชาติจะสมมติเราเคารพนับถือเราอ่อนน้อมต่อท่านผูน้นี้ท่านสั่งเราก็ทําตามท่านสอนเราก็ปฏิบัติตามเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าความอ่อนน้อมของเราเนี่ยเป็นเหตุเดี๋ยวเราเคารนับถือจะท้าท่านเป็นเหตุท่านว่า อะไรท่าแนะนำตเตือนอะไรเราก็ปฏิบัติตามมันทำให้เราไปสร้างเหตุอย่างอื่นอีกแต่ว่าตัวนี้จึงกลายเป็นตัวเริ่มต้นในกรณีนี้ในกรณีที่ค่อนข้างไปทางขลังนะฮะคือพระนั่งสวดนั่งเสกเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบนะแต่มาเองก็มีประสบการณ์ทังเยอะเรื่องเหล่านี้ เราก็เคยเจอเราก็เคยเห็นเราเคยทำด้วยนะฮะแล้วมันก็ได้ผลจริงๆเหมือนกันแต่ไม่ใช่หมดทุกเรื่องไม่ใช่ทุกรายมันบางรายก็ได้ผลซึ่งถ้าหากว่าใจเรายัางเชื่อมโยงสิ่งนี้กับสิ่งนี้อยู่เนี่ยความคิดในแนวขลังมาก็ต้องมีอยู่มาความมาเขาคิดว่าผลตรงนี้เกิดขึ้นจากเหตุเหล่านี้ รอดตายมาเพราะเหรียญหลวงพ่อองค์นั้นองค์นั้นเดี๋ยวเขาก็เชื่อมต่อเขาว่าอย่างนี้ใจเขาเขปลูกพันุ์อย่างนั้นก็ทํ า, าทให้เขาเพิ่มพูนศรัทธาในหลวงพ่อองค์นั้นแต่จะไม่เพิ่มพูนอยู่เฉพาะเหรียญแต่จะไปฟังคําสอนของท่านไปไปฏิบัติตามคําสอนของท่านหลวงพ่อก็สั่งหลวงพ่อก็สอ น, สนาาหลวงพ่อจะพูดสั้นๆพระอาจารย์ครั้งๆทั้งหลายเราเห็นพูดสั้นๆ เราก็ไปปฏิบัติตามคําสอนท่านไอ้ความเจริญมันก็เกิดขึด้นอยากไปเจอหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านหลังกังนเนี่นะตอนนี้อายุเก้าสิบอะไรแต่เทวมังก่อนประกาศจรก็เดินเดินไปดูนะฮะไปอบรมที่วัดท่านก็พูดเสร็จก็เดินไปดูว่าหลวงพ่อสอนท่านยังไงก็จะสอนง่ายๆะนะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกหลวงพ่อหนูจนเหลือเกินเนี่ยทำยังไงดีหลวงพ่อให้หนูรวยหน่อยสิ พ่อก็บอกเออขยันขยันนะประหยัดประหยัดนะทําให้ได้นะขยันขยันประหยัดประหยัดเจ้าค้าเจ้าค้านะกราบแล้วก็ไปะทีนี้ขยันกับประหยัดเนี่ยทํางานมากจ่ายน้อยเงินมันก็เหลือเลยเห็นไหมแต่ที่จริงมันมาจากมาจากอ่อนน้อมถ่อมตนมาจากการเชื่อการเชื่อหลวงพ่อในครั้งหลวงพ่อในศักดิ์สิทธิ์ เป็นวิธีเป็นอุบายวิธีในการสอนเพียงแต่ว่าอย่าไปเข้าใจว่ามันขลังมันหยุดอยู่ตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะไปอย่างกันเพราะคนเราถ้าเราเชื่อใครแล้วเราจะทําตามบางทีมันก็ลดความชั่วลงมาอย่างไอ้โจนคนหนึ่งมันเตี๋ยวข้าโมยเขามากลรงพ่อท่านก็เรียกมาต่อว่าเอ้ยเองในตัวข้าโมย ข้าของชาวบ้านก็เป็นบาปเป็นกรรมไหมขอทานยังดีกว่าจะไปขโมยของเขา ก, กินมันหยุดขโมยนะมาเป็นขอทานมันก็จริงก็ดีกว่าขโมยมันหยุดจากจากขโมยมาเป็นขอทานมันบอกหลวงพ่อบอกมันขอทานแต่เรามองจริงจิงมันก็ดีกว่านะะมันก็ดีกว่ามันขโมยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมองว่า ไม่ใช่เรื่องเฉพาะตํานานเราจะต้องมองต่อไปด้วยต่อไปด้วยว่าเราประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อใครเรามีสมรภูมิว่าเราเชื่อถือ ถ, อ, ถอยคําของใครเราจะทําตามคําสอนของท่านมันก็เข้าแนวว่าควบบัณฑิตนะฮะควบหาบัณฑิตแนวมงคลสุดนะฮะไม่คบผ่านคบบัณฑิตบูชาผู้ควบูชาอยู่ในประเทศที่สมควรใช่ไมตั้งตนในชอบมันก็มาเองแต่มันสืบเนื่องมาจากการครบบัณฑิตเราจะอ่อนน้อมถ่อมตน ต่อบัณฑิตเรามีสัมมาคารวะต่อบัณฑิตแล้วก็ปฏิบัติตามความสอนหอักนั้นจึงไม่ใช่เรื่องขรังอย่างเดียวคื อ, อ จ, จะติดเฉพาะเรื่องขรังอย่างเดียวนะครแต่ว่ามันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะถ้าอยู่ระดับขรังมันก็มันก็มีผลแค่ขรังซึ่งก็มีความเสี่ยงอยู่สูงาอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปไม่ได้เราจะเห็นว่า การที่พระท่านสาธยายคาถาพระสูตรต่างๆแล้วก็ป้องกันป้องกันยักใบไม่ให้มาทำอันตรายได้เนี่ยนะถ้าเรามองไปถึงตอนก็มาเผยแผ่าศาสนาที่ที่เนี่ยสุวรรณภูมินะสมัยพระโสดาพระอุตรามาเผยแผ่าศาสนาที่สุวรรณภูมิดินแดนแถบนี้เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน พระเทราชนี่มาทางเรือนะฮะมาขึ้นที่ริมริมทะเลแล้วขึ้นที่เกาะแล้วขึ้นที่เกาะเกาะ ก, ก็แถวอ่าวไทยนี่แหละแต่กกอนไหนก็ไม่รู้นะสองพันกว่าปีแล้วในเกาะนั้นคนกลัวผีเสื้อสมุทรผีเสื้อยักมันจะขึ้นมาจับเด็กไปกินเป็นอาหาร ท่านก็ทำพิธีเอาเด็กมาวงไว้ในสายสินเหมือนกันนะพระโสนาพระอุตรมาทำพิธีวงไว้สายสินแล้วก็เสกเป็นรูปพยนต์นะขับผีออกตกเกาะไปเลยคนก็รอดปลอดภัยคนก็มานับถือไม่น่าเชื่อนะฮเผยแผ่ศาสนาครั้งแรกที่นี่คือปราบผีเลยปราบยักษ์ครั้งแรกที่พระโสนาพระอุตร ม, มาโมคอนซอประมาณสามรอยนะฮะ อาปราบยากแต่เวลาเทศสวดเทศพระสูตรลึกซึ้งมากเทศพรมชาละสูตรเป็นพระสูตรที่ยากมากที่บรรยายเนะี่ยยังไม่กล้าบรรยายเพราะถ้าบรรยายต้องใช้หลายวันมันยาวมากเล <Okay. S 1> ยยาวมากทีนี้ถ้าพูด เ, ดเร็วๆเนี่ยจะจะไม่รู้เรื่องเลยถ้าพูดต้องพูดอาจจะถึงตีห้าครั้งหรือสิบครั้งเป็นพระสูตรที่ยากมาก แต่จริงก็น่าจะพูดสักคราวกันนะะประสูติที่บรรพบุรุษเราท่านท่านฟังครั้งแรกกันฟังครั้งแรกคือพระพันชาลสูตรมามองประเด็นตรงนี้ว่าเออตรงนี้ก็ก็ไม่เบาอนะฮะเพราะคนฟังประสูตรนี้เข้าใจได้เนี่ยไม่เบาก็หมายความเมื่อเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วบรรพชนไทยในตรงนี้แถบนี้นะฮะแล้วก็มีชนชาติอื่นอยู่ด้วยนี่แหละก็ภูมิพรมสติปัญญาไม่เบา วางประสูตรนี้ได้แล้วก็บรรลุมรักผลคนออกบวชตั้งเท่าไรประมาณสามพันเป็นราชกจกุมารราชกจกุมารรีแล้วก็คุณระบุ ท, ทั้งหลายคุณระบุ ท, ทั้งหลายพันแปดร้อยราชกจกุมารแกุมารรีอีกก็เรียวกว่าสามสี่พันออกบวชกันนะโดยเห็นว่าก็มีทั้งขลัง เห็นไหมมีตั้งหลังก่อนแต่้จากขลังเนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่าโอ้พระท่านช่วยโครการได้คนมาเกิดนับถือนับถือศรัทธาก็่าแขกันมาเป็นแถวแล้วพระกฤษฎ์เทเสดประกอบพระเทศสด ก, ก็ลอยออกไปจากหลังไปเลยไม่ได้เกี่ยวกับขลังแต่เป็นการสอนธรรมะแล้วก็มีระบบปรัชญาคําสอนของลทัทธิต่างๆตั้งหกสิบสองลัทธิที่ว่ายาวเนี่ยคือคือคือบรรยาวอีตอนตอนหกสิบสองลัทธิเนี่ย เรื่ที่เตี่ยสิบสองแต่คนตรงนี้สมัยนั้นเขาฟังได้แล้วก็บรรลุมรผลได้แสดงว่าไม่เบานะครับพื้นฐานสติปัญญาไม่เบาทีนี้จะพูดถึงเหตุที่ให้เกิดพรทั้งสี่ประการที่จะซึมเนื่องมาจากการอด น, น้อมถ่อมตนยอมรับนับถือเชื่อฟังศรัทธาแล้วก็ทำตามคำสอนของท่านเนี่ยเราจะเห็นคำสอนในแนวอื่นอีกเป็นนั้นมากโดยเฉพาะเช่นอายุเนี่ย เรื่องอายุยืนน้นเรื่องอายุเนี่ยที่จริงมันมีอยู่สองเหตุนะฮะเหตุหนึ่งเป็นบุ ป, ปะกรรมคือกรรมในอดีตเกิดมาอายุสั้นธรรมชาติเลยคนนี้ทำยังไงก็ตายฮะอายุสั้นมันเป็นวิบากกรรมที่เกิดขึ้นมาจากการทำปานาติบาภรรในชาติก่อน คนใต้จะทํามันก็ใช้วิธีที่เขาเรียกว่าปล่อยสัตว์นะฮะให้ชีวิตแกสัตว์ให้อภัยทานให้ชีวิตเป็นทา น, นะอะไรเนี่ยนะซึ่งแนวเหล่านี้มันก็ทํากันมาตั้งแต่โบราณแต่ที่น่าเสียดายแบบนี้มัน ก, กลายเป็นอาชีพไปนะามาเองอยังนึกไม่ค่อยออกอนะไม่เคยสนับสนุนไอการไปซื้อโคควายที่รวมฆ่าสัตว์มาปล่อยนี่ไม่เคยสนับสนุ น, น, ล น, น, นแล้วไม่เคยเห็นด้วยเลย เพราะอะไรเพราะไปเร่งอีกชุดอื่นที่ยังไม่ถึงเวลาถูกฆ่าให้ถูกฆ่าสมมติถ้าเขาเตรียมโควไว้ร้อยตัวจะฆ่าในวันนั้นนะ่ะเราไปซื้อหมดตั้งร้อยตัวและอีร้อยตัวหนึ่งซึ่งมันมันจะไม่ตายวันนั้นนะต้องตายในวันนั้นนะเพราะเขาต้องเอามาฆ่าให้ได้ร้อยตัวเห็นนะที่จริงไปเร่งอายุอีกชุดอื่นเข้ามาให้ถูกฆ่าเราดูก็ใายเราช่วยนะฮะ แต่ในจริงก็หมายความมาช่วยไว้ได้ร้อก็ตายร้อยนะั่นพอดีเท่ากันไม่ไม่เคยเห็นด้วยวิธีนี้นะแล้วก็ไม่เคยร่วมร่วมบริจาคร่วมช่วยอะไรถ้าจะทํานึกว่าก็ทําที่อย่าไปเอาที่โรงฆ่าสัตว์แต่กันไปเอาที่อื่นซึ่งมันไม่มีกําหนดตายอะไรตัวนี้มันก็ไม่ตายแล้ว โคที่เขาเลี้ยงเขาหายอะไรแต่ไรตปกติเนี่ยถ้าไปซื้อี่โรงฆ่าสัตว์นึกไม่ออกนะฮะเราเห็นว่าจะดึงชุดอื่นเข้ามาตายแทนเราช่วยชุดที่กำลังจะตายมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเพราะตลาดเ้ายัตงต้องการใช้เนื้อโครบริโภคร้อยตัวอยู่นั่นแหละเขาก็ต้องอึงต้องดึงตรงอื่นมาอีกร้อยร้ยตัวมาฆ่าแทนอันนี้เตนที่จะอยู่ได้อีกะวันเลยตายก่อนก็ตายไปก่อน ก็นันมีความเป็นธุรกิจนะในปัจจุบันนั้นเราจะเห็นว่าการทำอะไรที่เป็นการบันทอนอายุปาณปฏิบาต ท, ที่เราทำในปัจจุบันเป็นการบันทอนอายุแล้วขาดสตินะฮะเราจะเห็นว่าขาดสติที่เป็นการบันทอนอายุเผลอเร่อพลังพลาดเวลานี้ยังเคยตั้งข้อสังเกต ในที่หลายแห่งแหละฮะผู้กับผู้หลักผู้ใหญ่หลายแห่งว่าคือถ้าเราดูตัวเลขสถิติ <c oughs> เด็กรุ่นหนุ่มสาวนี่มันถูกมอเตอร์ไซค์ฆ่าจะเยอะแยะไปหมดเลยปี ๆ, ๆนี่เด็กตอนนี้อายุสิบกว่าเกือบเกือบยี่สบนะสิบกว่ายี่สิบแต่แท้เนี้ยน ะ, ะทีนี้อีกสักอีกสักสิบห้าปีเนี้ยคนอายุสามสิบห้าเนี่ยจะน้อยคนอายุสามห้าก็ถือคนวัยชะกันนะ สามสิบสามมั น, ว, นวัยราการวัยทำงานวัยที่จะเริญก้าวหน้าวัยอะไรอะไรเนี่ยมันหายไปตายเลยตั้งแต่ตอนอายุสิบกว่านี่ยเยอะประชากรไทยในชุดนั้นจะลดจะลดแล้วเราจะเห็นจะเห็นมันมน ม, นมันทุกชุดคนมันจะไหลามาอย่างงี้คล้ายๆกับในวงการทหารนึกๆก่อนฮะวงการทหารเราเห็นว่ามันหลุดหายไปหลายสามรุ่นก็หลุดหายไปในสมัยสงคราม ไม่ได้เรียนฮะไม่ได้เรียนก็เด็กรุ่นนะั้นมันก็หายไปช่วงหนึ่งสามรุ่นเพราะงั้นการสืบต่อในด้านสังคมเนี่ยถึงจุดหนึ่งแค่แค่มันกิวคนรุ่นเดียวกันนี่น้อยยุคนั้นนะเช่นว่าคนรุ่นสามสิบห้าปีอีกสิบห้าปีเนี่ยจะน้อยเพราะอะไรเพราะว่าเกิดวัติเหตุตาย ตายตั้งแต่เด็กๆกันนะตายตั้งแต่เป็นเป็นวัยรุ่นแนละ้วคง ย, งยังแก้ยากอยู่นะนี่เราจะเห็นว่า ม, มีอะไรคือขาดสติเป็นการตัดรอนอายุคึกขนองนะคือขนอ ง, นะอนองสนุกสนานแข่งขันกันขับรถสิ่งกันนี่เยอะทั่วโลกเวลานี้ตายเยอะเหลือเกินตายกับมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นนี่นะะก็ไม่ใช่เพราะมอเตอร์ไซค์นะฮะ แต่ว่าเพราะคนเราประมาทในนี้ก็คือเหตุที่5ห้อายุยืนก็คือต้องอยู่จะมีสติรู้จักระมัดระวังรู้จักสารวมเดี๋ยวในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าไอ้พาหะของโรคที่จะตัดทอนอายุในมันเยอะเหลือเกินประมวลและพิษพวกสภาพแวดล้อมพวกปัญหาทางสังคมที่นอกจากอดีตกรรมอดีตกรรมเราไม่รู้วนะฮะ เราจะทำอะไรไว้เราก็ไม่รู้แต่ว่าปัจจุบันนากกรรมในเราแก้ได้อดีตเราไม่รู้ว่ามันมีหรือไม่มีอะไรในเราก็ไม่รู้เพราะเราดูแต่แม้แต่พระอรหรันต์นั่นก็ไม่นั้นเลยพระเราขุนเนะี่ยตอนนี้ผ่านก่อนพระพุทธเจ้านะพระราหุนเนี่ยเป็นพระเด็กๆมากนิพพานอนาะยุยังน้อยมากพระองคุลิมาณีพ่านอนาะยุประมาณายี่สิบห้าปีพระองคุลิมาณนะั่นทําทอะไรไว้เยอะนะ <c oughs> ก็น้านิพพานได้เดยวอะ เดี๋ยพระเราขุนก็นิพพานอายุน้อยมีเยอะพระพระอระหันต์เด็กๆนิพพานอายุน้อยยี่สิบสามสิบนิพพานแล้วเราแสดงว่าอดีตกรรมในเราคงแก้ยากนะแต่ว่าปัจจุบันกรรมเนี่ยเราป้องกันได้เราตัดรอนไม่ให้สร้างเหตุที่จะให้อายุสั้นเราก็อายุยืนได้ ในขณะเดียวกันคือคือการเบียดเบียนสัตว์เป็นเหตุเส้นอ่าเป็นเหตุให้เราเกิดโรคโรคภัยไข้เจ็บในชีวิตของคนเรานั้นเราถ้าเชื่อมโยงดูนะฮะนอกจากอดีตกรรมแล้วเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งคือปัจจุบันนักกา ร, รที่เราเคยเบียดเบียนสัตว์มาบางที่เชื่อมได้เยอะนะฮเชื่อมได้เยอะแต่คนไม่ค่อยยอมเชื่อมแต่นั้นเองในสมัยเด็กๆ เ, เ, เราทําอะไรมาเราก็เราก็จะเห็นเรื่องแบบนี้น มีลักษณะที่เชื่อมประการต่อไปคือวันณนะวันนาแปลว่าผิวผันวันนี้จริงมันมีสามความสามความหมายนะวันนาแปลว่าผิวผันวันนาแปลว่าพวกวันณะแปลว่าความดีวันณะในกรณีของผิวผันก็คงจะเกี่ยวกับอาหารอากาศอารมณ์นะฮะ การระบบการขับถ่ายอะไรแต่ตัวการต้องการคือลักษณะทางอารมณ์เพราะถ้าเร า, เอาอาหารอะไรมามันคงจะมีปัญหาต่อไปว่าพระที่สั่นอาหารมื้อเดียวอยู่จำป่าไม่มีอะไรก็ทําไมท่านหน้าตาผ่องใสเออคือมันมันก็อาหารก็คืออาหารส่วนหนึ่งไะนะฮะแต่จริงลักษณะทางอารมณ์เลยสําคัญ ว่าทำยังไงอย่าไปเก็บกดอารมณ์อย่าไปแบกโลกไม่ต้องแบกมันหรอกยุกมันเลยเสียเวลาเปล่าโลกคือมีอะไรก็มีไปมีปัญหาอะไรมันหนักยังไงก็หนักฮะแต่เราต้องวางเลยพอเสร็จต้องวางเสร็จเป็นเสร็จเลยแล้วเวลาจะทำอะไรก็ได้นะเราก็ทำได้เพียงแต่ว่าพอเสร็จคือเสร็จ ตอนเสรจแล้วมันไม่ได้ทําเนี่ยนะฮะโดยคิดทําอะไรแเราจะจะทํางานพรุ่งนี้จะทําอย่างนั้นอย่างนั้นคิดยังไงมันก็ไม่ได้ทำมันไม่มันไม่ไ ด, ไได้ไม่ถึงเวลาทําก็ไปคิดต่อตอนทำนั่นแหละไม่ต้องมีคิดอะไรไมาก ไ, ไปเห็นงานเราก็ทําได้เพราะงานเราทําอยู่แล้วนะแนวเหล่านี้ถ้าเรียกว่าแนวพัดเดกราโตคือมีราตีเดียวก็จเจริญก็ชืน่นบานสิ่งที่ล่วงแล้วไปก็คือล่วงแล้วไป ถ้านำมาใช้มันก็นํามาใช้ในกรณีที่เป็นครูเพื่องดเว้นสิ่งผิดพลาดเพื่อกระทํำสิ่งดีงามแต่ไม่ใช่เอามากลุ่มที่ที่มีปัญหาคือเร า, เามากลุ่มส่วนมากแล้วเอาความผิดเนี่ยมาคิดกลุ่มมันผิดไปแล้วนะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วตรงนั้นนะเรากลุ่มเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปลดความผิดในอดีตแต่มันเพิ่มความทุกข์ในปัจจุบัน เป็การเพิ่มความทุกข์ขึ้นในปัจจุบันปัญหาอาดีตเป็นปัญหาเท่าที่มันเป็นเราเราแก้ไขอะไรมันไม่ได้เพรนั้นก็อย่าไปกลุ่มอย่าไปวิตกกังวลเดือดร้อนกับอดีตแต่ก็อย่าไปคาดหวังอะไรอนาคตได้มากเกินไปเพราะชีวิตเราอยู่ที่ขณะปัจจุบันที่มาต่อกันนะฮนะมาต่อกันไปในขณะ ชีวิตที่จริงมันเป็นเรื่องขณะมันเหมือนกับเราลากเส้นช็อกนะฮะเราจะเห็นว่าคล้ายๆเป็นเส้นแต่จริงมันไม่เป็นเส้นมันเปลี่ยนแต่ผงช็อกเล็กๆมาต่อกันเป็นแถวนะฮะแต่เรากล้องไป่ส่องดูมันก็แยกกันแยกกันอยู่จริงแต่มันวางเรียงกันแต่นั่นเองชีวิตเรากำลันกันขณะมาต่อกันเป็นแถวเป็นวินาทีมาต่อกันนั้นหกสิบก็เป็นนาทีอีกหกสิบก็เป็นชั่วโมงนั่นก็ต่อกันไปเรื่อยอีกยีิบสีก็เป็นวันหนึ่ง ก็ต่อไปเรื่อยแต่มันก็พร้อมที่จะดับเพรา ะ, ะนันชีวิตเราจึงอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีเอาอาดีตเป็นบทเรียนเท่านั้นอย่าเอามากลุ้มอนาคตเป็นสิ่งที่คาดหวังจะใช้ประโยชน์แต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่เคยมานะอนาคตเนี่ยเพราะมาแล้วมันเป็นปัจจุบันทุกทีคือสังเกตนะฮะอนาคตไม่ไม่เคยมามันมาแล้วก็เป็นปัจจุบันทที อนาคตท่านบอกว่าไม่เคยมาแล้วไม่เคยมาเลยเช่นสมมติว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยพอมาปั๊บมันก็เป็นปัจจุบันมันไม่เป็นอนาคตมาอย่างอนาคตเนี่ยไม่มีามาก็เป็นปัจจุบันทุกทีอดีตมีนะอดีตมีแต่กระดับแล้วเพราะฉนั้นถ้าเราทําใจตรงนี้ได้อย่าวิตกกังวลอย่าเดือดร้อนอ่านข่าวซื้อพิมพ์ก็อ่าน แล้วฟังข่าสารก็ฟังแต่อย่าเอามากลุ่มอย่ามาวิตกอย่าไปคิดเรื่องนอกวิสัยนอกวิสัยเรามาความมาเรื่องที่คิดไปก็ท่านนั่นเองมันทาอะไรไม่ได้คิดทำไมไรคิดเฉพาะเรื่องที่เราทำได้แล้วทำในขณะนั้นๆั้นอีกหนึ่งคือเรื่องคนอื่นพระเจ้าทรงสอนว่าณเปรยสังวิโลมาน้ณเปรยสังอากตากะจัง อัตโนวาเอาไว้เคยยะกตานีอาาน้อักตาีิจะอย่าไปสนใจเรื่องคำพูดหรือการกระทําที่ไม่เหมาะไม่ควรคนอื่นเราเอามากลุ๊ป ม, มาทุกข์เราแก้มไม่ได้นะเรื่องของเขาแต่ว่าสนใจเรื่องที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทําของเราสนใจเฉพาะตรงนี้ทําแล้วก็ดูเป็นบทเรียนในการทําแต่ยังไม่ได้ทํา ก็พร้อมที่จะทำแต่ไม่ใช่เป็นทุกนะเพราะยังไม่ถึงไม่ไม่ถึงเวลานี้ก็จะช่วยให้วันน้าคือผิวผันของใจทำใจใสบายอีกอย่างหนึ่งคือความโกรธการผูกโกรธการผูกโกรธการเก็บความโกรธเอาไว้มากๆนี่จะสร้างปัญหาสร้างความทุกข์เราก็งสอนในรูปของการบรรเทาโทส ความโกรธมันเป็นความร้อนเราเก็บไว้เนี่ยทุกที่จิงทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งราคานะฮะเหมือนกันนะถ้าเก็บเก็บไว้แล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นกัดกร่อนจิตใจบันทอนสุขภาพกายใจทั้งนั้นเลยแล้วก็ผิวพัรร์จะพ้าหมอประการต่อไปในกรณีที่เป็นพวกหมู่เป็นพวกหรือหมู่คณะทําอย่างไรจรึงพวกหรือหมู่คณะเจริญ โดยนี่ก็ง่ายที่สุดก็คืออยู่ร่วมกันโดยความเป็นมิตรไมตรีอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรที่เรียกว่าเป็นกาลยาณมิตรกัน Myth. โดยฐานการอยู่ร่วมทั้งหมดไม่ว่าจะอะไรก็ตามโดยเนื้อหาแล้วก็คืออยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรมีความรักใคร่สนิทสนมเป็นนหนึ่งนเดียวกัน ประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตอ่อกัออกกนแล้วก็มุ่งให้เป็นอุปการะจะทำอะไรทำไปเพื่ออะไรทาไปแล้วเนี่ยเขาจะรับประโยชน์ระไรรับประโยชน์อะไรหรือได้รับประโยชน์โดยวิธีใดแล้วก็พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนั่นคือพื้นฐานเนี่อยู่สี่อย่าง แตะที่จริงก็ทุกกลุ่มคนด้วยซ้าไปนะฮะเพียงแต่ ว, ว่าพูดในแนวอื่นออกไปสรุปว่ายังไงสรุปว่าเราอยู่ร่วมไปด้วยเมตตากับคนเนี่ยให้มีเมตตานะกัตริรย์ให้มีเมตตาให้มีกรุณากับสิ่งของให้รู้จักเคารพสิทธิของกันรละการนี่ยนะฮะสิทธิของการละร ก, ารราการก็ของใครก็ของคนนั้น อย่าไปร่วมเกินในสิ่งเหีนั้นมันก็ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรด้วยอย่างมีเมต谛กันก็มาความว่าพวกหมูมองการด้วยความแพ่มชื่นเบิกบานมีหน้าตาโปรงใสมีจิตใจเบิกบานวันนีาคือความดีความดีก็คือการเก็บการสะสมของเรามีการตรวจสอบด้วยใจของเรา เมื่อคืนนี่มีคนโทรมาอุลนอนจังพูดนอนจังแต่มาชอบใจอยู่ประโยคหนึ่งแกพูดว่ากำลังดูจิตตัวเองว่าถ้าคำพูดที่เล่าพระอาจารย์มาทั้งหมดเนี่ยถ้ามันเป็นอคุศนขึ้นมาแล้วจะเลิกทำงานเนี่ยนะเขาทำในลักษณะปกป้องศาสนาแต่มันเกี่ยวกับคนเนี่ยนะเกี่ยวกับคนแต่เขาบอกกำลังดูดูจิตตัวเองอยู่ ถ้าความคิดเนี่ยมันมันเกิดไปทางในลักษณะที่จะเบียดเลี่ยนคนอื่นแล้วนี่จะจุจแสดงว่าเป็นคนมุ่งธรรมะมุ่งที่การปฏิบัติธรรมะเพื่อเพื่อทำประโยชน์แก่ศาสนาเป็นความคิดที่ดีนะฮะหมายความว่าเรื่องความดีเนี่ยมันไม่อยู่ที่ใครยกย่องมันอยู่ที่เราเห็นตัวเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ ผู้เจ้าส่งอุปมาเหมือนกับการขัดผ้านชนะทองเหลืองนะะที่จริงอะไรก็ได้กระจกอะไรอะไรก็ได้น ะ, ะเราขัดขัดแล้วเราก็ส่องดูมึงขัดแว่นหวัดแว่นเราก็ส่องดูเห็นไหมฮะขัดแว่นเราส่องดูขัดอะไรเราก็ส่องดูใครขัดเราขัดใครส่องเราส่องเห็นไหมฮะเราล้างจ า, เาเง น, ะ เ, รารานเราก็ดูเอง่นะเรารีบผ้าเราก็ดูเอง เราขัดพระชนะทองเหลืองเราก็ดูเองไม่ไม่ใช่คนอื่นดูเราขัดแว่นเร า, เราก็ดูเราเองมันไม่ใช่ใครดูนะไม่ใช่ใครบอกอีกทีนึงว่าเป็นไงดีไหมแต่จริงแล้วเราดูคนเราเองแม้แต่เข้าไปร้านเสริมสวยเราก็ดูเองก็ <g ye> ไม่ใช่ช่างก็บอกนะไม่ใช่ช่างก็บอกเป็นไงดีละยังก็ถามมาดีละยังพอใจละยังก็งแสดงว่าเราดูเองไม่ใช่ขเขาดู วันวันนะเนี่ยความดีเราตรวจสอบดูที่ใจเราใครว่าเราไม่ดีเราก็ดูเราแต่อย่าหลงเรานะอย่าหลงตัวเราเราก็ดูเราว่าที่เราพูดอย่างเนี้ยเราหวังดีเขาหรือหวังรายเขาหรือต้องการผลประโยชน์อะไรจากเขาหรือต้องการให้เขาได้อะไรนึ่นก็ดูจชนแม้แต่การเทศการสอนเนี่ยโยมเห็นว่าบางทีเทศเพื่อลา่กกาสกุลชื่อเสียงเขาตัวเอง ใช่ไหมฮะบางทีเราก็เทศเพื่อเพื่อให้คนฟังเนี่ยเขาได้ที่จริงมันก็ฟังออกอะนะฮะเอาฟังออกอย่างการโฆษณาสินค้าเฉี่ยในชัดเลยเขาโฆษณาเพื่อเพื่อขายสินค้าเขาก็ไม่รู้แหละคนฟังมีความจําเป็นหรือไม่จําเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็พยายามพูดให้ซื้อให้ได้ก็เขาพูดเพื่อจะได้ถ้าถ้าให้เขาดูใจเขาเนี่ย เขาก็มองไปเขาไม่ได้มองที่ใจนะเขามองที่สิ่งของเขามองที่เงินเดี๋ยวก็จะได้เขาไม่จะมองที่ใจนะเพราะแนวโลกนั้นจะมองที่การเพิ่มพูนของวัตถุแต่ว่าแนวธรรมะนั้นจะมองในพัฒนาการทางจิตหมายความว่าเราเพิ่มความดีขึ้นเรามีเมตตามากยิ่งขึ้นเรามีสติมากยิ่งขึ้นเรามีเหตุผลมากยิ่งขึ้นไอ้นั่นคือความเจริญก็เรียกว่า เวลาเขาให้สินะพร์วุทิิงเวรนิ่งเวปุลังประงวลถูกุัสดาสน่วุธิก็คือเจริญวิรุนิงก็คืองอกงามประปนตุก็เข้าถึงความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาคือในธรรมะเป็นการพูดในลักษณะกระตุ้นเตือนตำหในใองคล้ายๆพรนะแต่จริงมันไม่ใช่พรหมายความว่าเจริญงอกงามหรือไม่เราต้องดูขอเรา เราปลูกผักเราก็ดูมันงอกงามเราก็ดูของเราเองไงนะเห็นนะฮะทั้งหมดตกลงว่าเราต้องดูด้วยตัวเราแล้วก็เราลองรู้ด้วยตัวเราการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงก็อยู่ที่เราทําก็เราเองความเจริญของวันณนะด้านวันนะคือความดีนะฮะวันณะคือความดีเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้น แต่แน่แน่นอนเมื่อเขามีความดีเขาก็สะท้อนมาเป็นวันะคือพวกทําให้พวกสัมผัสได้โดยการทําโดยการพูดเพื่อก็ให้ความ ร, รักเคารพนะับถือศรัทธามากจริงขๆในขณะเดียวกันวันะที่เป็นผิวมันก็ดีเพราะใจเราดีเห็นนหฮะใจดีวันะคือผิวก็ดีตามไปตกลงว่าวันะใหญ่ที่จริงมันอยู่ที่คุณธรรมภายใน ให้คุณธรรมภายในเราประนีประนอเราเพิ่มนะฮะเพิ่มขึ้นก็เห็นเพิ่มแล้วกันนะ่ะทายังไงอยากให้เห็นลดพก็ธรรมะในศาสนานั้นมันมีข้อหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอนิวัติปฏิปทาคือการปฏิบัติที่ไม่ย้อนหลังกลับไม่ถอยหลังว่าเลิกดื่มเหล้าแล้วก็เลิกดื่มไม่ใช่ไปดื่มเหล้าที่แพง ก, กว่าเดิมอีกหรือเลิกสูบบุหรี่แล้วไปสูบซิก้าไม่ใช่อย่างนั้น ก็เลิกคือเลิกเลยยุวนาสุขนะสุขนั้นทั้งกายทั้งใจก็เรียกกายจิตกสุขสุขกายเจิตแต่สุขสุขใจในสุขร่างกายเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยเรียกว่าทุกภัยโรคนะฮะร่างกายไม่มีทุกภัยโรคมันก็เป็นร่างกายที่มีสุขภาพพลานามัยดีปัจจุบันีนเราพูดเรื่องเยอะแต่ยังมองนะฮะว่า โอกาสต่อไปนี่มันมั น, ม, นมันคงจะยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมลพิษมลภาวะต่างๆเดี๋ยวมันเกิดขึ้นแล้วเราหยุดเขาไม่ได้นะถ้าท่านหลายลองสังเกตดูว่าเราอยู่ในกรุงเทพและเราออกต่างจังหวัด ส, สักวันสองวันเนี่ยตัวจะเบานะตาจะรู้สึกแจ่มใสขึ้นแล้วไม่ง่วงนอนแล้วก็เร่เรียวแรงอะไรก็ดีขึ้นอ ม, มากรุงเทพมข้าวแถวโนเมืองแล้วก็ซึมมา มันมันไม่น่าอยู่เลยนะกรุงเทพจริงๆเสภาพเหล่านี้เมื่อก่อนเราพูดว่ากรุงเทพเนี่ยสะดวกสบายเดี๋ยวนี้ทั้งสะดวกสบายไม่มีแล้วไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกสภาพชีวิตก็ไม่สบายนะไม่มีทั้งสะดวกสบายแล้วพอถึงฤดูร้อนก็ยังมีประชากรที่หลังไหลเข้ามาปีนี้เขาบอกจะมาเป็นล้านนะนะคนจะเข้ามาเป็นล้านเพราะว่าเกิดแหงแล้ง ตามส่วนต่างๆตามภูมิภาคคนก็เข้ามาหา ง, งานในส่วนส่วนกลางปัญหาอะไรมันก็ตามมาเยอะเพราะในแนวมลพิษนี่ค่อนข้างยากจำเป็นจะต้องระมัดระวังรักษาดูแลสุขภาพตัวเองในส่วนร่างกายเนี่ยให้มากจริงขึ้นอย่าเพิ่มพาหะอย่าเพิ่มเชื้อของโรค โดยเฉพาะอย่งนี้คือการบริหารร่างกายใช้ยาบทต่างๆให้สม่ำเสมอคงไม่ไปถึงการผ่าตผลโจรตยานอะไรแต่สรุปว่าใช้ยาบทให้สม่ำเสมอก็จะเป็นการรักษาสุขภาพในทางกายความสุขใจเนี่ยบางทีเนี่ยพระเจ้าท ร, รงแสดงใค่ๆก็พูดเล่นเนี่ยนะครับ ละเหตุแห่งทุกได้เป็นสุขในที่ตั้งปวงอันนี้คือพูดโดยสรุปเลยละเหตุแห่งทุกได้เป็นสุขในที่ตั้งปวงหมายความว่าคนจะรู้อย่างนี้ได้ต้องมีปัญญาพิจารณาอะไรมันเป็นเหตุแห่งทุกแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหตุเหล่านั้นคนระดับท่านทั้งหลายที่เข้าวัดฟังธรรมจาศีลในวันหยุดได้เนี่ยนะฮะคจริงก็ฝีมือก็ไม่จะธรรมดาเท่าไหร่นะฮะ ก, ก็ก็ก็เก่งรุ่มควรเน่ยนะครับเพราะในการที่จะไปหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนมันคงจะลดน้อยลงไปได้เยอะแล้วแต่ไม่งั้นอย่างเข้าวัดไม่ได้แล้วแต่ว่าทำยังไงจะเพิ่มภูนมากขึน้นเหติให้เกิดความทุกข์เหติให้เกิดความเสื่อม บางอย่างเนี่ยมันอยู่ไกลตัวเราเราหลบได้เราหลีกได้เราเลี่ยงได้แต่อย่างหนึ่งก็คือใจอย่าเอื้อมทำยังไงม่าใจอย่าเอื้อมการอยู่สภาพแวดล้อมอย่างนี้ถ้าใจเอื้อมแล้วจะยุ่ง ม, มากมาอย่างสังเกตกาเสียงหมาที่วัดเนี่ยนะครับคือตอนเราทําเทพตอนนี้ที่ทาเทพเนี่ย เราต้องการใช้เสียงที่มันสงบ น, นะเพราะเราจะจะไปสนใจเรื่องเสียงมากมันมันพรอ้อมไหจะอัดเสียงได้ไหมตรงนีเ้เด็กนอนกันแล้วยางพระนอนกันแล้วยางหมานอนแล้วยางาถ้าไม่งั้นเราก็อัดไม่ได้เพราะหมามันฟัดมั่งมันหอนมั่งมันโอ้มันดันมั่งทาให้เรารู้สึกว่าหมามันหอนมา ก, มมมากาไปเผามากไปเพราะเราหาจังหวะไม่ค่อยได้เลย แต่พอเราหยุดอัดเทปเราไม่สนใจมันหมาก็เหมือนเดิมเองนะหมาก็มากกว่เดิมนี่แต่ว่าเสียงมันก็ไม่ค่อยดังอะไรเพราะเราไม่สนใจมันมันจะเห่ามันจะขอมันจะฟัดเราก็ทํากับเราเราไม่สนใจเพราะว่าปัญหาใหญ่ที่เราไปเราเป็นห่วงไม่ใช่หนวกหูเราคือมันจะเข้าไปในเทปที่เราจะอัดเสียงเท่านั้นเองเราเป็นห่วงเฉพาะตรงนั้นเท่านั้นแต่ส่วนนี้มันเห่าแล้วหนวกหูเราเราไม่หนวกหูมันอยู่กันมานานแล้วนี่นะเราไม่เดือดร้อนอะไรกับมันนะ วันเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าใจจะเอื้อมไปยุ่งแล้วมันจะยุ่งบอลใจอย่าเอื้อมมากก็พยายามธุระไม่เกี่ยวึช่ไหมแนวโบราณเนี่ท่านดีแนาโบราณแล้วก็มีอยู่เยอะนะฮะเขาเรียกตาเต็งอ่ะตาเต็งท่านท่านจะเอาตามปุติพระผู้ใหญ่ตามบ้านคนแก่แกผู้ใหญ่เนะี่ยท่านท่านจะเอา ออกหัวมันเนี่ยมาวางไว้สหัวช่างหัวมันช่างหังมงวมันเวลานี้สุภาพขึ้นภาษาสุภาพขึ้นเรียกช่างเขาคือออเขามาใส่ไว้เอาหัววางไว้เป็นการเป็นกติสอนใจช่างเขาเพทําอะไรก็ช่างเขาเมื่อก่อนในใช้ไทยแท้แบบหลวงพ่อคูณหน่อยช่างหัวมันช่างหัวมันคือหมายความไม่สนใจใส่ใจ ปัญหาบางอย่างปัญหานอกวิสัยปัญหาที่เราแก้ไขไม่ได้ปัญหาเรื่องคนอื่นเราเป็นทุกข์มันก็หาเรื่องใส่ตัวเองนะฮะโบราณนั้นพูดดีหาเขาใส่หัวหาเรื่องนะเขาเรียกหาเรื่องเขามันอยู่ที่อื่นนะเอามาใส่หัวตัวเองแล้วมานั่งเกาคันมานั่งบนเรื่องอะไรพอเขาออกไปจะกบฏคันเองโ บ, โบราณเนี่ยเข้าใจคิดนะคิดไปรูปธรรมอะไรไปเยอะเลย แต่เราแต่เราไม่ค่อยดูของท่านความความคิดรุ่นรุ่นปู่ย่าตายายมาว่าเก่งมากๆเลยท่านคิดอะไรกอนท่านที่จริงเป็นเป็นธรรมะนะฮะเนี่ยคือหาเรื่องหาเรื่องมาใส่ตัวเองเดียวนึกสึกนึกมากรูปเมาอิโต้กังบลมนเดือด ร, ร้อนมาเรื่องอะไรกันเร า, านสุขทุกข์จึงอยู่ที่ใจใจอย่าไปยึดอย่าไปถืออย่าไปคว้าอย่าไปอุ้มอย่าไปแบกอารมณ์ต่างๆไว้มากนะัก ที่ท่านกล่าวเอาไว้นะฮะในอุดมธรรมเดีว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใจใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจถามใจเราว่าเราอยากได้ความสุขหรืออยากได้ความทุกข์ประการต่อไปกําลังพะละคือกําลังกําลังกายนั้นคงจะเปลี่ยนแปลงไปไ น, นะฮะก็เป็นธรรมดา แต่ถ้าในชดเชยด้วยกำลังใจคือพระธรรมคือธรรมะที่เป็นกำลังของใจเป็นฐานของใจกำลังกายก็ ก, ก, ก็ก็มีจํากัดนะคนนะ่ะยังไง ก, ก็เท่าที่มีแนมะ้แต่นักยกน้าหนักมันก็มีไม่มากเท่าไหร่นะยกก็สองสาทีก็หอบฟังหกักอนะไรกันแต่ถ้านเน้นไ้ที่กำลังใจเรียกว่ามีพระธรรม กำลังใจคือศรัทธาให้มีกำลังศรัทธานิมั่นคงภายในใจเชื่อมั่นในคุณประรัตน า, ตายัยเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในผลของการกระทำความดีทั้งหลายนีแล้วก็มีความเพียรพยายามเป็นกำลังที่จะกระจัดความเกลียดคร้านความเห็นแก่ตัวความมากมากอยากได้ะอะไรต่างๆออกไปแล้วกำลังคือสติ มันคือสติที่เป็นระลึกรู้ระลึกได้ระลึกทันนึกได้เรื่องต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มังคือสมาธิมีใจิตใจสงบหลับคือหลับนอนคือนอนกินคือกินอยู่ก็อะไรอยู่ก็งั้นเราจะเห็นว่าธรรมะทั้งห้าประการเนี่ยข้อต่อไปคือปัญญามังคือปัญญา คนนี้จะเสริมเกิดพลังเกิดพลังขึ้นภายในจิตใจที่เราจะเห็นเรื่องเครื่องรางของขลังเนี่ยมามองจริงๆเนี่ยมันเป็นพลังศรัทธาเป็นพลังศรัทธาที่เราเชื่อมั่นแล้วมันดึงพลังเราขึ้นมานะจริงๆไม่ใช่พลังโน้นหรอที่เขาเล่าถึงทหารอมลูกเขียดจะยิงกับญี่ปุ่นได้ตั้งนานนะฮนะอมเขียดเนี่ยนะไม่ว่าพระเครื่อง เนื้อว่าพระเครื่องปลุกพระเครื่องขึ้นเรียกพระขึ้น ร, ร, รบตะลุยกับญี่ปุ่นฆ่าญี่ปุ่นตายเยอะเลยต่อมาพอเสร็จปรากฏว่าพระยังเต้นอยู่ข้างในข้ามาดูไปเจอเขียดกรูดแกหมดกำลังใจนะครับพระแกะหายแกหมดกำลังใจรบอีกที่อึงกะตายเห็นไหมพระหลังจริงมันอยู่ที่เรา พวกนี้ธรรมะเหล่าเนี้เป็นเป็นพลังพลังสมาธิพลังกับศรัทธาพลังกับความเพียรพลังกับสติพลังกับปัญญามันรวมตัวกันมันก็กลายเป็นพลังขึ้นภายในใจเป็นกําลังขึ้นภายในใจตรงนี้ถ้าหากว่าตรงนี้เกิดมันจะไปเสริมอีกสามข้อสามพรข้างหน้าอายุวัฒนาสุ ข, ขเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะมีด้วยพลังที่มีอยู่ภายในใจเราที่ หากว่าพยายามเสริมสร้างสุมพูนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยพรเหล่านี้จึงก็อยู่ที่ให้หรือไม่ให้ก็ตามไลนะฮะแต่จริงๆแล้วอยู่ที่การทำคำว่าพรนี่แปลว่าสิ่งที่ประเสริฐมาความมาเป็นผลที่ทุกคนต้องการแต่ว่าเกิดมาจากเหตุการอาศีนั้นพรเป็นกุศลเจตนาเป็นความตั้งใจดีปรารถนานดีาจะสาเร็จหรือไม่สาเร็จ แต่ก็ได้แสดงกุศลเจตนาความปรารถนาดีแล้วแต่จะสำเร็จขึ้นได้แน่นอนถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นปฏิบัติเพื่อสร้างเหตุให้เกิดพรขึ้นนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สองคล้องกับวันทีใหม่ซึ่งมีการให้สีให้พรมีการส่งสวร ก, กันในที่สุดนี้ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรอันเป็นที่เคารพสักการะนับถือของเราหล่พุทธบริษัททั้งหลาย ในปุดโรดประดานพิบาณาสาให้ทุกท่านประสบความสุขกายสบายใจประศจากทสุขสงศกโลอภัยสมบูรณ์ด้วยจตุรพิตรผ่อใจทั้งสี่ประการคือยุวนาสุขภพระอีกทั้งปฏิภาณดานสานสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านคืน